งานปฏิบัติธรรมนี้ต้องอดทนดทนขันติบา ร, รมีต้องอดทนนะขันติบา ร, รมีต้องมันต้องเพียนวิริยะบา ร, รมีมันเพียนมันเพียนตรงไหน มันเพียงตั้งสตินี่แหละเอาเริ่มเข้าที่นั่งภาวนาเลยเี๋ยวเราพูดนิดหน่อยเราจะพานั่งภาวนาจนกว่าจะได้ถึงเวลาเลิกแล้วก็ทำบัตรสวดมนต์ยังยังไม่ต้องทำตอนนี้เดี๋ยวพานั่งภาวนาก่อนเอาเข้าที่นั่งภาวนานั่งได้นั่งยังไงนั่งภาวนายังไงก็นั่งเข้าที่เลย นั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิมีสามแบบแบบหนึ่งนั่งขัดสมาธิชั yes. uh ้นเดียวแบบ2นั่งขัดสมาธิสองชั้นแบบสามนั่งขัดสมาธิเพชรเราเราถนัดกับขัดสมาธิชั้นเดียวขัดสมาธิชั้นเดียว คัสมาธิชั้นเดียวก็คือซ้ายเท้าท้าซ้ายอยู่ในเท้าขวาอยู่นอกอย่างนี้เขรียกชั้นเดียวเท้าขวาอยู่ในเท้าท้าซ้ายอยู่ในเท้าขวาอยู่นอกคัดสมาธิชั้นเดียวอย่างนี้เรานั่งทนอย่างนี้เรานั่งทนมาแล้วก็แล้วก็ไม่ล้มง่ายๆนั่งแบบนี้ไม่ล้มง่ายไม่ล้มง่าย เพราะมันมีฐานมันมีฐานมันมีฐานกว้างกว่าแต่แล้วก็ท่าขวาทับซ้ายอย่างเงี้ยก็เรียกอะขัดสมาธิสองชั้นขัดสมาธิสองชั้นแบบนี้ฐานมันน้อยเราเด็กเราเด็กง่ายหลังง่หลังแบบแปบ๊บเดียวแหละถ้าเรานั่งนานๆแบบนี้เรานั่งเราก็นั่งสู้ไม่ไหวเหมือนกัน เรานั่งนานๆเราต้องนั่งแบบชั้นเดียวนั่งนั่งทั้งคืนนั่งแบบชั้นเดียวเนี่ยอยู่อย่างงี้แหละอยู่อย่างนีงน้บางทีมือแล้วแต่มันจะไปแหละคลายเป็นว่าอันนี้อยู่นี่ไม่ได้สนสนแต่ข้างในน่ะไม่ได้สนเลยทิ้งเลยแต่มันอยู่ได้มันไม่ไปหลังนี่คัดขั ด, ข, ด, ข, ดขัดสมัชั้นเดียวนะ แต่ขัดสมาธิอันนี้ขัดสมาธิสองชั้นนี่ไม่ได้เพราะเผลอยัา ง, งายหลังนี่เรานะแต่คนอื่นใครจะถนัดยังไงก็แล้วแต่แล้วแล้วก็อีกคัดสมาธิอีกอันหนึ่งก็ขัดสมาธิเพชรคัดสมาธิเพชรก็คือซ้ายขึ้นพาดมาก่อนซ้ายเนี่ยขึ้นพาดมาตรงนี้แล้วขวาผานมาตรงนี้อันนี้ไม่หลุดไม่หลุด <c oughs> ไม่หลุดแต่ถ้าใครไม่เคยฝึกปวดเร็วมากปวด เร็วเพราะมันขัดเวลาหนึ่งต้องจับหนึ่งออกแม้แต่เรานั่งชั้นเดียวเนี่ยเวลาเราออกเราก็ต้องได้จับดึงออกเราเรานั่งนานนั่งทิ้งไปเลยนั่งทิ้งไม่ใช่เรานั่งแค่นี้นั่งนั่งเป็นคืนคืนน่ยนั่งทิ้งไปเลยเวลาออกต้องค่อยค่อยค ข, ย, ข, ย, ข ย, ยับ จะเป็นชั้นเดียวจะเป็นขัดสมาธิอย่างนี้จะเป็นขัดสมาธิเพชรนั่งนานๆนะต้องเนีดึงออกจยากออกนั่งเราก็พยายามทือตามแบบอย่างตามเยี่ยงอย่างไม่ใช่เรานั่งยังไงก็ได้เราเดินยังไงก็ได้มันมีแบบอย่างอย่างน้อยอย่างน้อยให้มันถูกแบบอย่างแบบอย่างนี้เราต้องรักษาเอาไว้ หลวงปูเ่เสาหลวงู่มันหลงตาแบบที่ท่านผาท่านผาทำวิธีนั่งขวาทับซ้ายถ้าเป็นครูบาอาจารย์รุ่นก่อสมัยก่อนรุ่นสมัยปลูกฝังหลวงปู่ลงปูสิงค์คันธยาขโมนี่หลวงปู่มหาปิ่นหูสิงค์เนี่ยท่านเทศเทศแนวเยี่องอยงยาเพระยุกต์นั้นเหมันเป็นยุคบุกเบิกหลวงปู่มันท่านผาบุกเบิก พยายามเอาเยี่ยงอย่างม า, มาเล่าให้ฟังมาทำให้ดูมีหนังสือด้วยเข้าถึงไตรสรณะขอมสมัยก่อนเนี่ชาวบ้านชาวเมืองอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยนึกถือผีจริงๆถือผีถือผีไม่ได้ไม่ได้ทั่วถึงเหมือนอย่างสมัยทุกวันสมัยแต่ก่อนแม่แต่พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธ ที่เราบริกรรมนี่ก็เป็นแบบอย่างแต่องพุทธโทจริงๆก็คือตื่นเวลาจิตสงบเข้าเต็มที่นั่นนะตื่นเบิกบานอันนั้นคือเนื้อหาแท้ๆของงานคืออักอักธรรมแท้ๆเกิดขึ้นกับเราการทำใจให้ได้รับความสงบแบบนี้เราต้องต้องเยี่ยงอย่างเราต้องส่งเอาไว้ขวาทับซ้าย แต่ว่ามือนี่ต้องวางเหมือนเดิมขวาทับซ้ายเดินเหมกันเดินยังกรมเดินยังกรมท่านให้เดินพอดีสุขออดีพอดีสบายๆเดินอยู่ในท่าทีที่สมรวมแต่หลวงพ่อจรัญท่านมีวิธีท่านท่านให้เดินค่อยหลังท่านเดินค่อยหลังท่านเดินค่อยหลังท่านก็มีความหมายท่านท่านบอกว่า สามารถดัดหลังให้มันปวดได้ครูบาอาจารย์เราเราถือครูบาอาจารย์เดินค่อยหลังเอ่ยนั่งเท้าแขนเอ่ยที่ท่านถือเดินค่อยเดินเดินเดินค่อยหลังเหมือนกับเดินโดูงานโดูการ เหมือนกับเดินไปสวนไปไร่ไปนาท่นว่านันนะเพราะยังเวลาเวลาเดินแบบอย่างในการเดินจริงๆถ้ากับทำทำงี้เนี่ยเหมือนเรานันน่งเลยบางทีด้วยเหตุที่เราเดิน น, นานๆต้องเอามือมาไว้บนพกผ้พาพกผ้าเดิน ท่านถือว่าเป็นกิริยาที่ที่ที่นอบนอบ้อมเราเห็นในแบบหลวงปู่เจริญท่านให้ทับหลังได้ไปดัดหลังได้แต่ถ้าเพื่อเราไม่ปวดหลังเราไปทำอย่างนั้นนะท่านทาท่านทำท่านมีความหมายท่านท่านท่ทนททนว้วไปข้างหลังเพื่อดัดหลังเพื่อดัดหลังทำตรง แบบยางเหล่านี้เราต้องส่งไว้ทำให้ถูกเพราะฉะนั้นแบบฉบับเยี่ยงอย่างเราต้องส่งเอาไว้อันนี้คือต้นตอคือเหตุเบื้องต้นเหตุเริ่มต้นในเมื่อเราเข้าใจดีแล้วเราทำทำได้ดีแล้วเราจะยัก ย, ย้ายพันแปรซิกซ ก, ซกอะไรยังไง ก, ก, ก, ก็ทำได้แต่เราจะต้องเข้าใจความหมายที่แท้จริงไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่เข้าใจแล้วก็ทำอะไรตามใจชอบไม่ใช่ เสร็จ <c oughs> แ, แล้วท่าให้กําหนดอย่างพุทโธพุทโธโธก็เหมือนกันลองตาท่านมีสองแบบแบบหนึ่งก็คือพุทธโธที่ยิบอีกแบบหนึ่งก็คือพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกพุทหายใจเข้าโทหายใจออกแต่วิธีพุทโธหายใจเข้าหายใจออกกํากับด้วยลมนี่มันถูกกับจริตนิสัยทุกคน มันได้ทั้งสมถะได้ทั้งพิปสนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธทําไปเบาสบายาบางทีมันเกิดมึนชาเกิดมึนชาตามตะโพกตามหัวเข่าตามอะไรมาหนิดยหน่นนนอยเหมือนไม่ได้นั่งพื้นมืนก็เหาะมันก็ลอยบางคนก็มาเดาอะ่ะนั่งเหาะนั่งลยไม่โดยมันชัดโดยมันชัดโดยมันชัด หายใจเข้าออพุทหายใจออกโทพุทโทพุทธททำความรู้สึกอยู่แค่นั้นแหละไม่ให้มันหมดความรู้สึกไม่ปล่อยความรู้สึกไม่ทิ้งความรู้สึกไม่เปลี่ยนความรู้สึกลองทำดูใครเข้าใจคำว่าไม่เปลี่ยนความรู้สึกมึ่ง ไม่ยอมเปลี่ยนความรู้สึกคิงนิ่งแบบเดียรนี่แทบไม่หายใจแล้วไม่เปลี่ยนความรู้สึก เ, เน่ยแนวขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นผลของผู้ที่ตั้งใจทำทำนานๆแล้วก็ทำแล้วก็ได้เพราะได้ไปแล้วเวลาเราเข้าถึงก่อหมดกบ ก, กับปบปับเข้าถึงได้ทันทีไม่เปลี่ยนอิริยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนความรู้สึกจับไปความรู้สึกเดิมที่เราเคยได้จับนึบ เราเร า, เราลองกาหนด ล, ง, ลงไปเราไม่เปลี่ยนความรู้สึกถ้าเข้าใจทำได้สงบเร็วมากไม่เปลี่ยนความรู้สึกความรู้สึกทั้งกายความรู้สึกทั้งใจไม่เปลี่ยนเราตั้งเจตนาไม่เปลี่ยนนี่แหละแต่ถ้ามีภูมิหลังผสมบ้างอยู่แล้วเนี่ย จะไปได้จะไปได้อย่างแนบสนิทจะไปได้อย่างแนบสนิทกำหนดกึบ ก, กเข้าถึงความสงบได้เลยไม่เปลี่ยนความรู้สึกไม่เปลี่ยนความรู้สึกไม่ทิ้งคำบริกรรมทังตาท่านั้นไม่ทิ้งคำบริกรรมบางครั้งดวงตากันกำหนด พุทโธพุทโธ ท, ที่ยิบตั้งเจตนาเต็มร้อยหรือหรือมีเท่าไหร่หนึ่งเอามาลงในน้ำหมดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในระหว่างที่ว่าพุทโธพุทโธนี่เราก็ลองมาทําดูเราไม่เปลี่ยนความรู้สึกเรงจับได้ไหมความรู้สึกความรู้สึกระหว่างกายกับจิตมันสัมผัสกันเนี่ยเราจับได้ไหมเพราะเราจับได้เราไม่ไม่ไม่ยอมเปลี่ยนรู้สึกมันขยับปั๊บเกอะ ขยับปั๊บกระกขยับปั๊บกระขยับปั๊บกาะขยปั๊กาะขยับปั๊บเกาะขยับปั๊บเกาะขยปั๊เกาะมันไม่กล้าขยับมันอยู่ทิ้หนึ่งไม่เปลี่ยนความรู้สึกฝึกหัดดูดัดหาวิธีดัดทํางวันจะได้รับความสงบเรามาเข้าอบรมแบบนี้ แล้วเรามาฝึกแต่วิชานั่งภาวนาอบรมจิตให้ได้รับความสงบอย่างนี้เหมือนกับเป็นการฝึกซ้อมอาวุธหนักเลยทีเดียวเลยนะแต่มันเข้าข้างในมันลึงเข้าข้างในมันไม่ได้ผิวเผินเหมือนเราพูดธรรมะเจริญาข้างนอกเอาปิยไาวย า, านะพูดยาภัยรอบอย่างนั้นอย่างนี้ ทานนะให้ทานอย่างนั้นอย่างนี้ปิยาวายจาอัตถจริยาประพฤติประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้สมาณตัตตาประพฤต์ตนสม่ำเสมออันนี้มันเป็นความประพฤติข้างนอกบางทีเราฟังเราก็เข้าใจบางทีก็ไม่เข้าใจมันไม่มีอะไรเป็นไม่มันไม่มีอะไรกดทับมาที่ความรู้สึกที่ใจของเราเราทํามาตลอด สมมติอย่างสมวันสองคืนนี่จิตของเรารวมจิตของเราได้รับความสงบปั๊บเนี่ยมันจะเป็นหลักเกาะยึดให้กับเราได้ทันทีแค่นั้นแค่จุดประกายแป๊บเดียวเนี่ยจิตดวงนั้นได้รับการพัฒนาไปมากมากมากมายมหาศาลกว่าเราไปเรียนอะไรอย่างอื่นมากมายเพราะมันไปปรับมันไปปรับตัวตัวแกนสําคัญคือคือจิตจิตนี้เป็นเป็นแกนนําที่สําคัญ เรามาเริ่มต้นที่รากเงาเข้าหมนอย่างนี้มันจะทำให้เราตั้งตั้งเนื้ตั้งตัวได้เร็วมันเป็นการมาฝึกซ้อมอเราจะเรียกอะไระเรียกว่าฝึกซ้อมอาวุธหนักเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่เห็นขัดกันนะยิ่งนั่งสบายได้สบายนั่งภาวนาสบายจิตได้รับความสงบยิ่งสบายเข้าไปอีกดีกว่าเราลอง เมื่อเชื่อลองดูทีสองชั่วโมงเนี่ยลองฟังแต่คํญญาบรรยายอย่างเดียวลองดูไหวไหมเครียดนั่งฟังกันเครียดบางทีสองสามวันเนี่ยที่เราแบบที่เราทํานีำมีแต่คบญญาบรรยายอย่างเดียวไม่พานั่งภาวนานเลยลองลองดูดิเครียด เ, เครียดเลยเครียดจนเบือ่อจนทนไม่ไหวนั่นแหละแต่และชั่วโมงผ่านไปโอ้รู้สึกภาวนานได้เกินไม่อยากฟัง แต่อันนี้เราสลับฟังคำบรรยายคำบรรยายก็เป็นคำบรรยายภาคภาคปฏิบัติข้างในพยายามช่วยการขุดช่วยการจับช่วยการขบจาะสร้างวิธีการสร้างความเข้าใจเป็นการจุดประกายเป็นตัวอย่างเป็นยี่ยงอย่างเราก็จับได้ใครจับได้อย่างไรถ้จับ เราพูดถึงหลักธรรมทั่วๆไปไม่อดแต่ว่ามันไม่ถึงข้างในมันไม่ถึงอริยสัจสี่มันไม่ถึงปจิตจัสมุปบาทมันไปถึงอริยมรรคโยงแปดมันไม่ถึงมหาสติปัฏฐานเนี่ยมันเป็นลังใหญ่ๆมันไม่ถึงสมถะมันไม่ถึงวิปัสนาและมันไม่ถึงใจมันไม่ถึงใจมันไม่ถึงใจ พูดถึงอา น, นิสงอ่าอ น, นิสงก็ต้องแรงกว่าอา น, นิสงแรงกว่าใครปรับได้ตั้งตัวได้ทําได้โอ้เป็นอนุสรณ์ชีวิตยึดไปได้เลยชีวิตนี้เราเจอแล้วเราเจอแล้วของดีเราได้แล้วของดีเราได้แล้วย่างอย่างที่ดีๆเราสามารถอยู่ในที่สบงบงบเงียบหามุมสงบที่บ้านเราเราสามารถทําได้เราเคยทําได้ และความสงบนี่คือผู้ไม่ประมาทแพ้ทําให้ชีวิตเราอยู่เย็นเป็นสุขได้ก็อยู่เย็นเป็นสุขธามากินได้ก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้ก็อยู่เย็นเป็นสุขและการที่จะเข้าใจเรื่องความเป็นอยู่ในในของการ <c oughs> <c oughs> เลีเ้ยงชีพในโลกเนี่ยเราก็จะเข้าใจง่ายขึ้น เพราะการธรรมาะในโลกนะเรามันจะบอกในในตัวเลยแหละอ๋อคือคือพอเรามาเข้าสู่วงในเนข้าปฏิบัติท่านจะพูดถึงความไม่เที่ยงความไม่คงทนความเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะทำให้เราปรับไปใช้อ๋อการ ส, สวงงาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกได้บ้างเสียบ้างมีแต่ได้ไม่มีเสียก็ไม่ใช่ มีแต่เสียไม่มีได้ก็ไม่ใช่มันมีทั้งได้มันมีทั้งเสียการที่เราต้องสอบต้องสวงหาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เคยมีแต่ได้ไ ด, ได้ไม่เคยเสียไม่ใช่มีแต่เสียเสียเสียงไม่เคยได้ไม่มีการให้ผลของกรรมมันให้ตามวาระการให้ผลของกรรมมันให้ตามบาระมีแต่ได้ไม่มีเสียมันก็ผิดหลังของกรรม มีแต่เสียไม่มีได้มันก็ผิ ด, ผดหลักกองกรรมเพราะเราทั้งทําทั้งกรรมดีทั้งกรร ม, มไม่ดีมันเอือ้อเอานวยให้เราได้มันก็เราได้บ้างเสียบ้างได้บ้างเสียบ้างมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างจะมีแต่ความสุขยึดแต่ความสุขอย่างเดียวไปยึดไม่ได้มันจะมีแต่ความทุกข์ทุกข์จนจะเป็นจะตายโอ้ทำไมเรามีแต่ทุกข์แท้คนอื่นทําไมก็มีความสุขเหลือเกินก็ไ <laughs> ม่ใช่ เนื่องจากว่ากรรมของเราทําดีทั้งทำทั้งทำดีทั้งทําไม่ดีมันชึงิตไร้ผลสุขบ้างทุกบ้างทุกบ้างสุขบ้างมันก็เป็นกันอยู่อย่างนี้แหละอัตภาพร่างกายทั้งทั้งที่เท่าทั้งทั้งที่เรารู้รู้อยู่เราไม่ตั้งใจจะเอาเราก็หมดโอกาสบางการบางคราวเราไปเกิดไม่มีโอกาสที่เราจะทำไม่มีโอกาสที่เราจะเอาไม่ไม่ได้เป็นเกิดในปฏิรูปประเทศ ลองไปเกิดแถวตะวันออกลาลองดูมีแต่วิ่งหลบลุกปืนเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันน่ะลองดูสิมาเทียบ ก, กับพวกเราเนี่ยเรามีบุญหรือไม่มีบุญเป็นโอกาสให้กับเราทนะคนับเราจะตั้งตัวจะถีบตัวเองได้มากน้อยเท่าไหร่เรารู้แล้วตอนนี้เราพยายามใช้ความระมัดระวังเราไม่ประมาทมากน้อยเท่าไหร่ เราไม่ได้นอนใจสบายๆนอมความดีมากน้อยเท่าไหร่เรารู้ได้เองเลยแหละเราจะเป็นคนขยันหรือเราจะเป็นคนขี้เกียจเรารู้ได้เลยเลยตอนนี้เรามีโอกาสเราไม่มีโอกาสหรือว่าเรามีโอกาสแต่เราไม่เอาเสร็จแล้วเราก็อ้านว่าเราไม่มีโอกาสเนี่ยเรารู้ได้เลยมันเป็นเครื่องบอกในตัวเลยแม้แต่นในกรุงเทพเราในปัจจุบันเนี่ย เขาเปิดอบรมที่นู้นเปิดอบรมที่นี่ไมีเยอะแล้วก็แต่ละวัดตามวัดป่าวัดหลายเดี๋ยวนี้เขามีการเปิดอบรมถึงไม่เปิดอบรมท่านก็ทําเป็นไปจำอย่างนั้นโดยเฉพาะวัดป่าสายสายลุงตานะท่านก็อยู่ท่านก็ทําอยู่อย่างนั้นลุงตาท่านไม่ให้ทําแบบเปิดคอร์ดอบรมท่านให้ทําเป็นอายจินตกรรมขวบวัดก็ทําตายตัวอยู่อย่างนั้น เินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทําตายตัวอยู่อย่างนั้นปฏิกริาเทาาาเี่ยวทกอวสานะเกี่ยวกับนู่นเกี่ยวกับนี้ทําเป็นชีวิตจิตใจอยู่อย่างนั้นรักษาไปในขณะเดียวกันอย่างนั้นไม่ใช่โ อ, อ้ระยะนี้เราทํานี่ไปก่อนพอหมดนี้แล้วเร า, เร า, เราเค่อยมาเดินจงกลมมานั่งภาวนาไม่ใช่ก็ให้ทําอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นไปพูดว่าสามวันเจ็ดวันข้อหนึ่งข้อสองข้ออะไรไม่มี ท่านไม่มีความหมายของท่านคือท่านให้ทำทุกลมหายใจเข้าออกให้เห็นเท่าเห็นภายทุกลมหายใจเข้าออกเป็นอย่างนั้นแต่ด้วยเหตุที่เราง่วนอยู่กับการกับงาน <c oughs> มีคนเขาจัดก็ทำอยู่บ้างเราก็หาช่องหาทางเอาปรีตรงนั้นสามวันตรงนั้นเขาเจ็ดวันตรงนั้นเขาสิบวันแล้วก็สละเวลาไป แต่บางบางครั้งเนี่ยสามวันเจ็ดวันสิบวันที่เราที่เราเข้าไปทำเนี่ยตั้งหลักได้จริงๆก็มีตั้งหลักได้จริ ง, ร ง, ง, รงบางทีทําเป็นไอจิ่งทาไปทาํามาขี้เกียจก็มีขี้เกียจก็ดีอันนี้และแต่เราจะเลือกเอาถ้าเราไม่พยายามกระตุน้นเตือนกระตือรือร้นให้กับตัวเองไม่มีใครมากระตุ้นให้เรา วิทยาบารมีเราต้องสร้างขันติบารมีความอดมทนเราต้องอดต้องทนไม่อดไม่ทนไม่ได้ทุกคนต้องอดต้องทนนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านต้องอดต้องทนวิยญาณไม่ให้อดทนแค่ทุกยางลำบากอย่างเดียวนะอดทนดูที่ท่านออกจากวังไปทุกยางลำบากขนาดไหนงานการแผ่นดินช่วยพ่อ มีพระราหุลเนี้ยทิ้งลูกไปทิ้งเมียไปทิ้งพ่อไปทิ้งแม่ไปไปสแสวงหาเหมือนกับจับเสือมือเปล่าเหมือนกับนะแต่บา ร, รมีท่านเต็มเปี่ยมแล้วท่านก็ทราบดีเข้าใจดีรู้แก่ใจว่าบา ร, รมีเต็มเปี่ยมแล้วท่านคิดคิดนึกถึงเรื่องที่ท่านจะออกไปท่านมีหวังหวังว่าได้ต้องสาเร็จได้ต้องสำเร็จ ไปอย่างมุ่งมั่นด้วยความมั่นใจผู้ทีเจ้านะเราไม่รู้จะเอาใครมาเป็นตัวอย่างเราเอาผูทีเจา้ามาเป็นตัวอย่างท่านออกไปอย่างมุ่งมั่นออกไปอย่างมั่นใจออกไปอย่างมั่นใจอีกส่วนหนึ่งก็คิดถึงทางบ้านอีกส่วนหนึ่งมาคิดถึงปัญหาที่พันหัวใจของเราอยู่ต้องทร ม, มานต้องทรบากขนาดไหนเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปตายอย่างมันตายชักมันคอยได้ ตุยาลำบากกันดานเป็นเรื่องเล็กน้อยการต่อสู้เหล่านั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยมากวิสัยของพระสสดาเนี่ยการต่อสู้เพื่อจะเอาหลักธรรมมาเปิดไวให้กับพวกเราเต้องต่อสู้ความอดความทนต้องเยี่ยมหัวใจยิ่งกว่าเพชรโดยโดยเขาสมมุติว่าสมมติอย่างทะเลเต็มไปด้วยเพลิงเนี่ย ทะเลเต็มไปด้วยฐานเพลิงเนี่ยวิสัยของพระโพธิสัตว์เนี่ยสามารถเดินลุยไปได้เลยเดินลุยไปไเลยเรื่องตายเป็นเรื่องเล็กความเมตตาต่อต่อหัวใจของคนของสัตว์เนี่ยมันมันล้อนในใจล้นเมตตาสงสารไปหมด ท, ทุกหัวใจเมตตาไปทุกหย่อมหญ้าว่างั้นเถอะ คับประครองทนุสน้อมทำไมเขาจะได้รู้ทำไมเขาจะได้เจริญทำไมเขาจะได้พ้นทุกข์อันนี้คือเห็นโทษแล้วเห็นโทษแล้วเห็นทุกข์แล้วดูแต่พระองค์ปฏิบัติศาสนกิจศีลสมาพระพันศาเสด็จไปโปรดที่นู่นเสด็จไปโปรดที่นี่วันคืนลงไปก็อยู่ด้วยพระกิจพุทธกิจนะฮะตอนเช้าตอนค่ำอบรมพระภิกษุ สมนเนินพิสุขพิษุณีวาสุบวาสิกากลางคืนอบรมพิสุขเที่ยงคืนตอบปัญหาเทวดาเทวดาไปเกี่ยวความทุกข์ใกล้ใกล้สว่างเล็งดูสัตวโลกพรงสัพยุตยานเล็งดูไปเหมือนสองดูเล็งเล็งไปแล้จะเห็นเลยแหละ หัวใจของใครพอที่จะได้รับปัจจุบธรรในในวันนี้พรุ่งนี้เสรจแล้วจะได้รีบไปสอนเล่งดงสัตวโลกใครมาเข้าในพระไค่ขายพระยานน่ะจะก็จะรีบไปสอนถ้าไม่รีบไปสอนคนนั้นอาจจะเป็นอันตรายเสียก่อนจะต้องได้รีบไปสอนถ้าใครมาเข้าในพระไค่ขายเสียก่อนต้องรีบไปสอนไม่เหมือนไปสอนทั่วๆไปนี่ธุรกิจเนี่ยพระองค์ทำเต็มเปี่ยม เพราะฉะนั้นแปดสิบพระพรรษานี่สมบูรณ์บริบูรณ์ปรองโปงพระชนมายุสังขารถือว่าโอ้พอแล้วเราทำงานมาจนอิ่มจนพอแล้วพอแล้วกับที่เราสร้างบารมีมาได้บรรลุ ม, มาปลุกฝังพุทธบริษทัทพิสุพิสุนีวารสบาสิกาตอนนี้ก็ฝึกแผ่นแน่นหนามั่นคงแล้วเข้าสู่พระนิพพานเฉยตัดสินใจเข้าสู่นิพพานเฉย เรานอนทราบทีหลังกขอว่อนไม่ใช่วิสัยของเราที่จะตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกพูดให้อนนททราบใชยรลอานนท์ต้องต้องฟังต้องเชื่อต้องเข้าใจต้องเชื่อมั่นในในพระพระในพระญาตต้องเชื่อมั่นในญาตของเราพระนอต้องเชื่อมั่นในพระญานของพระเจ้า ไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบไปโต้เชื่อเราไหมถ้าเอานั้นไปตอบเอานี่ไปโต้ก็แสดงว่าไม่เชื่อเราถ้าจะมาเทียบกับหัวใจของพวกเราบางคนเริ่มสาศรัท ธ, ธาครูบาอาจารย์แต่ยังมีการตอบโต้มีการตอบโต้คือยังมีส่วนไม่เชื่ออยู่นั่นละ่ะมีส่วนไม่เชื่ออยู่นั่น เราจะเห็นว่าสิทธสู้ครูมีเยอะแยะไปยุคสมัยปัจจุบันสิทธสู้ครูสมัยพุทธกาลก็มีสิทธพระมหากษัตริย์สู้ครูสู้จารย์สู้อาจารย์สู้พระมหากษัตริย์นี่เราพูดถึงแบบอย่างแล้วจากนี้ไปให้พวกเราตั้งใจภาวนาไปจนกว่าจะได้เวลาแล้วเราจะพาตามาวัดสวดมนต์ แล้วก็จะพูดพูดอีกไปจนสี่ทุ่มสีท่ทุมน้ายาวนะตอนนี้ต้องได้ผ่านเวทนาเนะี่ยต้องได้ต่อสู้เวทนาเราก็หมดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธหรือกาหนดด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพอถึงเข้าพอถึงขั้นเวทนามารุมมารุมมาตุมเต็มที่แล้วก็ขยับขยับจากพุทโท ไปจับเวทนาดูอาการของมันดูอาการของมันเวทนาคือความเจ็บความปวดมันมันรุนแรงบางที่มันเรืออดเรือทนแล้ว อ, อดเรือทนเราไม่ยังเอาใจไปเสริมมันอีกด้วยเหตุที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ถ้าเราใช้สติสักเทวา ร, ร, รู้เป็นเวทนานุ ป, ปัสนาตามประดุจดจอรู้เวทนาเวทนาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เวทนาอย่าให้คําว่าเราเข้าไปเกาะ เราเข้าไปเกาะที่ไรเมื่อไหร่ตัณหาอะไรอะไรมันตุบมันมันจะไปเกาะนั่นน่ะเจ้าของมันมันออกมารับโอ้ยกายเราเจ็บโอ้ยกายเราปวดนั่นน่ะเจ้าของมันเจ้าของกายเจ้าของเวทนาเจ้าของจิตที่เต็มแปร่ไปด้วยกิเลสคือเจ้าตัณหานั่นน่ะนั่นน่ะเจ้าของมันตัณหาเป็นเจ้าของครอบโลกธาตุทำให้เรา ยืดยาวในวัฏฏะสุขสารไม่จบก็เจ้าตัวนี้แหละเราไม่ระวังมันโผล่มาเราเจ็บเราปรวดท่านให้ใช้สติสัทต์ว่าระลึกรู้ mm hmm. เพื่อไม่ให้อัดตามันโผล่ขึ้นมาอัดตาคือพอตันหามันโผล่ขึ้นมาพักอัดตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมากลายเป็นเราเราเจ็บเราปรวดเราเจ็บเราปวดเราทนไม่ได้ มันไม่ได้จะตายแล้วจะตายแล้วดูเราดูทับหัวมันไปเลยอะไรที่ว่าจะตายอะไรคือตัวจะตายดูทับมันไปเลยมันจะทับกันเป็นซ้อนเป็นซ้อนเป็นซ้อนเป็นซ้อนเป็นซ้อนยิ่งเรากำลังจดจ่อไม่เปลี่ยนความไม่เปลี่ยนความรู้สึกเลยเราไม่เปิดช่องให้กับตัญหาเลยนะไม่เปิดช่องให้มัน แต่ในขณะเดียวกันมัดกําลังอบรมอยู่ในอยู่ในนั้นปัญญากําลังอบรมอยู่อยู่ในนั้นล่ะถึงการทั้งข่าวเขาจะโผล่มาให้เราเห็นความแปลกปราดอาศจรรย์<ม>ทั้งภาคความสงบทั้งภาคปัญญาภาคความสงบเรากำลังให้สงบเขาก็จะสงบภาคปัญญา มันจะขยับไปไหนเราก็ตามรู้ตามกาหนดจดจ่อได้ไม่ปล่อยไม่หลงไม่ลืงอ้างานในภายในท้าทายอยู่นะท้าทายมากทุกคนอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นตั้งใจทำเอา ยกช่วยไหยละครช่วยเปล่าออ้ยอ้ยอ้ยฮะละครช่วยยกช่วยเปล่าแล้วนั่งยาวๆดี มันผ่านการต่อสู้เรานังสันส่นๆจากรอกแยกแรกมันจะได้ยังยังมันมันยังไม่พอจะมีวางรอกวางรากรากเรืออะอะไรมันยังไม่ออกเลยอขยับมันอยู่เรื่อยรากมันจะแทงรากอะไรได้มันผ่านการต่อสู้ยิ่งเรา ปุตตะโซกเวทนาได้นะีโอ้ตื่นเปลี่ยนชีวิตจิตใจของเราเลยเปลี่ยนเลย <c oughs> เอาเวทนามัดอย่างนั้นแหละต้องเอาเป็นเอาตายโซ่ด้วยต้องถึงขั้นเอาเป็นเอาตายจริงๆนะเไม่งั้นมันสู้ไม่ได้ดอกโอเอาปานนั่นเลเอาปานนั้นเลยเอาปานนั่นแหละ อย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านจะว่าเดือนตายเดือนตายมาแล้วเหลือเดือนตายมาจากป่าท่านจะได้พูดเลืนนะ่นงนั้นเอาไปทำบ้านสวนมณฑ ส่วนวันี้เราแนะ น, นําก่อนเพราะการสวดมนต์นี้เราหลายหลายคนหลายสํานักบางคนก็ไม่ได้ฝึกหัดมาบางคนก็ไม่ได้ฝึกหัดบางคนก็ได้ฝึกหัดภาษาบาลีนั้นภาษาบาลีกับภาษาไทยก็าาไม่ต่างกัน เช่นอย่างนี้บมานหน่เนี่ยาทมาหนเสียงสระรยสระเสียงสั้นให้เราว่าเร็วๆอระหังอระหังสัมมาสัมภะกวารระอุเศริศระ ตัวสระกับพยัญชนะมันจะไปด้วยกันมีแต่พยัญชนะไม่มีสระก็ไม่ใช่มีแต่สระไม่มีพยัญชนะก็ไม่ใช่อันนี้เป็นตัวตัวภาษาบาลีแบบเราพิมพ์เป็นภาษาไทยนันเนี่ยแต่ถ้าเป็นบาลีจริงๆแล้วซัมซัมมาเียมันจะจุดไล่จุดใต้ตัวมอระหังสมาสมุทโธ ตัวสกดกันสองตัวเนี่ยสัมมาสัมมาสัมบุตโธเนี่เราว่ามันขาดคำสัมสัมมาสัมบุตโธภะวาภะกะวาภะยะวะเนี่ยไปว่าเสียงเท่ากันไม่ได้ฟังไม่ได้ผิดมันเพียเ้ยนเขาเรียกวิบัติ พระพระเราว่ายาวยาวรูพระว่ายา ว, วายาวว่ายาวไม่ได้เพราะมันสรเสียงสั้นกะเราว่ายาวยาวรูกะกะอะว่ายาวยังไงได้ว่าไม่ได้เพราะมันสั้นบุตรทางพระเะวันตังอภิวาเดมิยังมิเนี่ยแปลว่ายาวยาวก็ว่ายไม่ได้มิ มีพิวาเดมีมีมีมีมี ม, ม, ม, มีไม่รู้ว่า theater, ยาวยังไงได้เพราะมันไม่ใช่สร ะ, สระเสียงยาวมันสระเสียงสั้นลองเราว่าเสียงยาวปับ๊บมันเพี้ยน ท, ทันทีมันเป็นสระเสียงยาวไปแล้วมันเป็นมีไปแล้วมันไม่ใช่เสียงแล้วมันเป็นเสียงไปแล้วอาพิวาเดมีนี่เนี่ยมันไม่ใช่เสียงแล้วมันสสียงไปแล้วมันเพีย้ยนวิบัติ อัครวิบัติอภิอภิอภินี่อักษอิคัสนอภิวเดอีอูเอโออีอูเอโอนี่เราว่าจะให้เขียนทำเป็นแบบไว้ตรงนี้นะให้เราดูเพราะพวกเราไม่ได้ฝึกเรื่องเหล่านี้เวลาสวนเลยว่าไม่เท่ากันไม่เหมือนกันโอ้ยลากกันอยู่นั่นเลยยืดยืดยอยู่นั่นเลย แต่ถ้าเป็นสำนักเดียวกันเนี่ยเคยสวดมาประจำเนี่ยมเข้ากันแต่คนละหลายสำนักแล้วก็บางคนก็ไม่ได้ฝึกมาเนี่ยดึงกันอยู่นั่นแหละและคนที่ดึงก็คือคนเสียงดังซะด้วยนะดึงกันไปดึงกันมาเนี่ย a อ u e o สระเสียงสั้นก็มี a i u a n ง สร้งารงเนอร่างเนี่ยฮังคือสรอ้างถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาบาลีตัวบาลีจริงๆก็คือมีกลมๆเหมือนเลขศูนย์อยู่บนตัวหอหีบอาร่ังมันเป็นสระเสียงสั้นออกเสียงสั้นเสียงสั้นว่าสั้นเสียงยาวว่ายาวสวดมากเท่าไหร่ถูกกันหมดไม่ผิดไม่มีผิดสวดไม่มีผิดสวด ถ, ถูกกันหมด แต่ถ้าเราไม่เคยเข้าใจไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้นี่เสียงสั้นก็ว่าว่าเท่ากับเสียงยาวเสียงยาวก็ว่าเท่ากับเสียงสั้นเสียงหนักก็ว่าเท่ากับเสียงเบาเสียงเสียงหนักเรียกครุลหุครุลหุเสียงหนักเช่นอย่างซ้ำนี่เรียกเสียงหนักเรียกสังโยสังโยพยัญชนะสังโยคือพยัญชนะที่มีตัวสะกดบุตรทางอันนี้คือสระอังเสียงบุต วุบิทางวุฒคืออะไรอุลองว่ายาวๆดูว่าได้ไหมอุอุอนีย่ยาวไม่ได้อุอ้ า, ม, าอไไ ม, มันกลายเป็นอูไปแล้วไหมมันกลายเป็นอูไปแล้วเราจําหลักได้แค่นี้เราสวดถูกกันหมดจะต้องไปดูให้ชัดว่า อ, อีอุอังเอเสอเอมีเสเอ เสอเช่นอย่างเสยโยเอตัวสอเสือและยยักยยักไม่ใช่เสอเลยเหมือนตกเคยเป็นภาษาไทยไม่ใช่ตัวยยักเป็นตัวสกดลเสอเยโยนี่ยเสระเียงสั้นเสยโยตรงไหนเซยโยตรงไหนเสยตรไหนยโยตรงไหน อ๋าห MM. ุนัยโยเอหนิาหุนัยโยปาหุนัยโยเ่อาหุนัยโยปาหุนัยโยเฉยเฉยตัวยยักษเป็นตัวสะกดตัวยยักษเป็นตัวสะกดอาหุนัยโยปาหุนัยโยดักกินโยอัจรารโย เนี่ยมาดูหน้าสองหน้าสองมันทัดแรกเลยอหุนนโยนีย่ตัวย่อยักเป็นตัวสะกดนะไม่ใช่สะเออยเหมือนเคยภาษาไทยนะภาษาไทยภาษาไทยสะเออยเคยแต่ภาษาบาลีไม่มีไม่มีสะเออยมีแต่ตัวสะเออยอยักเป็นตัวสะกดอหุนนโยเนี่ สาวักสังโคอาหุนยโยปาหุนยโยเ ส, ร, ส ร, รอังเสรยิิองสันดักขินยโยดักขินยโยอันเจริการณนโยอนุตรังปุญยักเทตังโลกัสาเอ่อถ้าเราเข้าใจวิธีการเราก็ไปฝึกซ้อมหัดฝึกซ้อมเองบ้างสวดมนต์ การไหว้ถูกนั่นน่ะเป็นมงคลการไหว้ถูกต้องเป็นสรีเป็นมงคลเพราะการสวดมนต์นั้นเป็นมงคลบทสวดนั่นมันเป็นมันเป็นบทธรรมทั้งนั้นน่ะเรามาดูะคาแปลของมัเนี่ยเป็นธรรมทั้งนั้นคาแปลของบทสวดเป็นธรรมะทั้งนั้นน่ะเนี่ยเนอันตะวุณังไส้น้อยอุดริยอาหารใหม่กริสังอาหารเก่าแต่เป็นภาษาบาลีเป็นภาษาดั้งเดิมของพระพุทธเจ้า เป็นภาษาเป็นภาษาตายคำว่าภาษาตายคือภาษาที่มันไม่ดิ้นหนีแล้วภาษาบาลีมคตบาลีภาษามคตเป็นภาษาตายไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยเนี่ยมันจะแพลงไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเป็นไทยสันสกฤตเป็นไทยบาลีเป็นคาเมนเป็นลาวอยู่ใกล้อะไรก็เป็นอันนั้นแหละตัวภาษาไทยตัวขอม เก่าเราสวดแค่นี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราเพิ่มสวดมหาสตินะเราสวดมหาสติไปวันละท่อนท่อนวันละท่อนวันละท่อน <c oughs> สี่ิบนาทีแมเหลือเวลาน้อยแล้วเกินเนาะรอเรามีเวลานั่งภาวนายาวๆแบบเมื่อกี้เนี่ยเอออย่างนี้คอยยังชั่วพอได้ต่อสู้มันบ้างพอได้เห็นหน้าเห็นตามันบ้างงั้นไม่รู้เลย ไป ร, รู้ว่าตัวเองอยู่ลึกอยู่ตื้นเท่าไหร่ก็พอจะรู้ได้ทําแผลๆยังไม่พอจะได้ต่อสู้อะไรเลย20นาทีอย่างเงี้ยจะ ไ, ได้อะไรเจ็บปวดก็ยังไม่ได้เจ็บได้ปวดยังไม่ได้ต่อสู้อะไรยังไม่ได้ต่อสู้ดูเรียวแรงดูกําลังของตัวเองเลยก็เลิกแล้วหยุดแล้ว นั่งเป็นวันๆ น, น, นั่งเป็นคืนๆ น, น, น, นั่งอยู่ขณะ น, นั้นแหละนั่งอิริยาบถเดียวสู้ไม่ไหว ก, ก็ช่างมันพลิกไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ต้องเอาขั้งที่ว่านั่งนานๆเอาไว้น้ำอะไร้ขิง ขาให้ใบนะทำไมมันเขาให้ใบเรานั่งกลัวแต่จะเจ็บจะปวดเวลามันเจ็บมันปวดนั่นนะโอ้โชคเกิดขึ้นแล้วลาบเกิดขึ้นแล้ว สัจธรรมปรากฏแล้วความเจ็บปวดสัจธรรมนั้นนะ่ะทําไมเรานั่งภาวนาเรานั่งหาสัจธรรมเวลาไปเจอทําไมไม่สู้นะเอาถามแค่นี้ให้ตอบเอาเองกันแล้วกันมนะันขยับไปขยับมาพลิกไปพลิกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นั่นแหละนั่นสัจธรรมนั่นนะ่ะถ้าไห้เอาสติเอาปัญญาดูกายเวทนาจิตธรรม เบชนะคือสัจธรรมพอไปเจอเวทนาแล้วไม่กล้าดูไปเจอสัจธรรมแล้วไม่กล้าดูนั่งภาวนาเพื่อหาสัจธรรมแท้ๆโอ้สัจธรรมสัจธรรมอริยสัจจังอริยสัจจังเป็นยังไงอริยสัจจังดูกันสักหน่อยทีนั่งสู่เวทนานั่งดูเจ็บดูซิว่าอะไรมันเจ็บถามมันดูอะไรเจ็บอเราเจ็บเลย อะไรคือเราถามลงไปดูอีกอะไรคือเราอะไรเป็นเราถามมันดูร่างกายเนี่ยหรือเป็นเราถามมันดูร่างกายมันตอบไหมเวทนาเนี่ถามเวทนาหรืเวทนามันตอบไหมแล้วกายมันทุกไหมลองถามมันดูเอ้กายทุกไหมถามมันดูถามเวทนาเวทนามันทุกไหมอะไรมันพาทุกอะไรกําลังของอะไรเรี่ยวแรงของอะไรที่ม <un> ันทําให้เราทนไม่ได้ พิสูจน์ตรงนี้ทีอะไรมันทําให้เราทนไม่ได้เจ็บเจ็บเจ็บก็ เ, เจ็บนั่นแหละคือเวทนาเวทนาเป็นเราเหรอน่ะ ถ, ถ้าเราเกิดความรู้สึกว่าเราเจ็บเราเจ็บนั่นเวทนาเป็นเราแล้วแสดงว่าเราไม่ทันมันนล้ตัณหามันมันไปจับแล้วตัณหามันลุกขลาแล้ว เ, เราไม่ได้เกิดสติถูกต้องตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแล้ว เราจะทำให้ใช้สติระลึลกรู้เวทนาสักตา ว, าว่าเวทนาเวทนาสักแต่ว่าเวทนาสักตา ว, า ว, กตาวายังไงเราดูดูดูออกดิสักตาวา่านเป็นไงสักตาว่าก็คือไม่มีเราเข้าไปอยู่ในนั้นแต่ถ้ามีสติมีสติอยู่เนี่ยมันไม่มีเราเข้าไปอยู่ในนั้นเพราะสติมันสว่างโรยอยู่ตัณหามันสวมรอยไม่ได้วิชามันครอบไม่ได้ ตัณหาสวมสมรอยไม่ได้มันมีสติครอบคลุมอยู่อัตตาตัวตนมันโผล่ไม่ได้ตัณหามันเกิดไม่ได้เมื่อตัณหามันเกิดไม่ได้กุปทานมันก็เกิดไม่ได้เมื่อตัณหามันเกิดปั๊บกุปทานไปจับตึ๊บเราเราดูตรงนี้เราดูเราดนี่เราดูเคล็ดแค่นี้พอเราเข้าใจแล้วมัน แต่กระจายไปหมดดูเคล็ดมันแค่นี้ขยับท่าเนี้ขยับยขยับเกาะติดขยับเกาะหลุดเกาะติดเกาะหลุดเกาะติดเกาะหลุดอยู่เนี่ยคําว่าติดก็คือสติมันโรยอยู่เนี่ยดูที่ตัณหาเกิดขึ้นได้ไหมเกิดไม่ได้อืแต่ถ้าสติไม่อยู่เนี่ยตัณหาเกาะแล้วอุปาท า, า, า, า, านก็เกกาาาะอุปทนับตัณหามันมาพร้อมกันเลย เกิดอัตราตัวตนพลอขึ้นมาทันทีทนไม่ได้เจ็บไม่ได้ต้องแปลต้องเจ็บต้องปวดถามดูตรงเวทนาเนี่ยเราเราเปล่าเราเจ็บเราปวดเราคืออะไรอยู่ตรงไหนถามดูเคล็ดตรงนี้ถามดูแค่นี้ถามในใจของเราเราหัดย้ำแบบนี้เราจะเจอของจริงเราจะเจอของจริงเรารูที่ตันหามันเหนียวแน่นไหมมันมันคงไหม มันแหลมมันคมไหมใครมีอุปาทานรุนแรงคนนั้นเจ็บเร็วปวดเร็วใครเริ่มละเริ่มคลายเริ่มวางเริ่มจางอุปาทานไปจากหัวใจแล้วเริ่มรู้เริ่มเข้าใจความอดก็มากความทนก็มากความรู้เท่าทันก็มากสติก็มากปัญญามุนรอบจัดก็มากนั่นนะมันเริ่มเบาบางไปแล้ว ปัญหามันล er no ูกคลำไม่ได้อุปาทานมันก็ลุกคลำไม่ได้อุปาทานมันจางไปแล้วมันเบาไปแล้วแต่นั่งก็เจ็บก็ปวดเหมือนเร้านี่แหละแต่มันไม่ใช่มันมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราเจ็บมันไม่ใช่ท่านเจ็บเจ็บเหมือนกันแต่ปัญหามันไม่เกิดมันไม่มีเราไม่มีเราเอา เอาไปจับไปจองว่าปวดเราปวดเราปวดไม่มีเราสังเกตสังการดูตรงนี้แค่นี้นั่งภาวนาเนี่ยเราต้องเจอการนั่งภาวนาถ้าเราไม่นั่งภาวนานานๆเราไม่ได้ต่อสู้เวทนาไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นชัยชนะไม่ชนะหรอกมีแต่แพ้กับแพ้ชัยยะชัยยะเราชอบสวดกันชัยยะชัยยะคือวายการบางองค์ท่านชอบพาสวดชัยยะชัยยะ ชัยยะคือชัยชนะต้องต่อสู้ไหมถึงจะชนะนอนตืน่นนอนนอนตื่นลืมตาขึ้นมหชนะเลยมีไหมไม่มีต้องผ่านการต่อสู้เท่านั้นแหละอะไรต้องผ่านการต่อสู้<ม>ผ่านการต่อสู้เท่านั้นแหละต่อสู้คือใช้วิริยะอุสาหะต่อสู้ประกอบไปได้วยอะไรประกอบไปได้วยความอดประกอบไปได้วยความทน ประกอบไปด้วยการตั้งสัจจะประกอบไปด้วยปัญญาหมุนกันอยู่นั่นแหละสัจจะทิฐานสัจจะอธิฐานนะ่นประกอบไปด้วยสัจจะประกอบไปด้วยตั้งความปรารถนาอธิฐานคือตั้งความปรารถนาตั้งความปรารถนาเมื่อพุทธเจาปรารถนาพระโพธิญาณทําไมบรรลุธรรมถ้าไม่บรรลุธรรมจะไม่ยอมลุกเด็ดขาด เนื้อเลือดเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามไม่ยอมลุกนั่นคำว่าสัจจะในชั้นี้คือเนื้อเลือดเหือดแห้งไปก็ตามนั่นคือตัวสัจจะไม่ยอมลุกเด็ดขาดอธิษฐานก็คือปรารถนาก็คือถ้าไม่ได้พระโพธิญาณจึงบวกกันเป็นสัจจะทิฏฐานสัจจะทิฏฐานสัจจะบวกอธิษฐานสัจจะทิฏฐาน พระพุทธเจ้าท่านมีบุญเก่าท่านตั้งความปรารถนาท่านตั้งสัจจาริษฐานมันเกิดขึ้นตามความปรารถนาของท่านทั้งหมดปรารถนาให้ถาดลอยทวนกระแสน้ําเห็นไหมปกติถาธรรมดามันก็ลอยไปตามน้ําทุกป่องทุกป่อ ง, องแต่พระองคปรารถนาให้ลอยทวนกระแสน้ําเป็นไปตามใจของโปรออะไรพาให้ลอยอะไรพาให้ลอยทวน พุทธลอยทวนกระแสน้อัศจรรย์ัหมนี่คือเสียงว่าบุญเรามีพอไหมบุญของพระองค์ก็ปรากฏแสดงให้ปรากฏสัจจาทิ่ฐานแต่เรายกมาพูดเป็นตัวอย่างบารามีของพระองค์มากมายมหาศาลขุมทรัพย์ขุมเงินขุมทองเกิดในสีทิศ มันไม่ใช่ของอัศจรรย์สระโปรสมบัติพระเจ้าจั ก, กรพรรดิที่จะเพิงเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันมันไม่ให้ความอัศจรรย์ของโผล่เราะไม่อัศจรรย์เลยสิ่งเหล่านี้นะทรัพย์สมบัติที่จะเป็นรัชทายาตเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านไม่เห็นอัศจรรย์อะไรเลยการต่อสู้ที่เรียลแรงฆ่ากันเป็นฆ่ากันตายด้วยด้วยอาวุธด้วยสงครามเหล่านั้น มนวิทยาทางนั่มาเสื่งความสุขที่ไหนตายทิงเฉยๆตายทิ้งฟรีๆมนุษย์ไม่เห็นฉลาดฆ่ากันทําไมต่อสู้กันทําไมไม่เห็นเกิดอะไรเลยนะต่อสู้กันได้ด้วยอํานาจของความโลภโลภอยากได้หนึ่งโลภหนึ่งอยากชนะโลภหนึ่งก็คือโกรธ ด, ด้วยในนั้นนะ่ะอาศัยแรงโกรธอาศัยแรงหยาดอาศัยแรงของโลภะ สายแรงของโทสะสู่ยิงไม่ศักดสีอยู่นั่นเลยมันมีสิ่งนี้มันมีสิ่งเราเหล่านี้กระตุ้นเตือนได้มาด้วยคมดาบได้มาด้วยการฆ่าอย่าลืมว่าฆ่าการฆ่าก่อให้เกิดการฆ่าการเมตตาก่อให้เกิดการเมตตาการเมตตาก่อให้เกิดกเมตตา พระพุตธเจ้าท่านแผ่เมตตาท่านใช้เมตตาก่อให้เกิดเมตตาท่านเอาความดีชนะความไม่ดีคนหนึ่งแสดงความไม่ดีใส่พระเอาความดีชนะตรงไปเลยหัดหัดล้างไปเลยเอาความไม่โกรธชนะความโกรธทำไมถึงจะไม่โกรธทนายที่จะไม่โกรธก็ไม่โกรธชนะความไม่โกรธได้ด้วยความไม่โกรธ ชนะคนไม่ดีได้ด้วยอะไรชนะด้วยความดีคนไม่ดีเขาแสดงความไม่ดีใส่นั้นแสดงความไม่ดีใส่เี้เราไปแสดงความดีกับเขาชนะเอาความดีชนะความไม่ดีมันเป็นการไปดึงรุ่นฝืนรุ่นไฟออกจากอีกฝ่ายหนึ่งความเห็นอกเห็นใจกันครับมีขึ้นความเห็นให้ความ ให้ความเมตตาให้ความสงสารแก่กันและกันก็มีขึ้นความตายใจก็มีขึ้นนี่คือคือความเมตตาความเมตตก็คือความปรารถนาให้แต่ละฝ่ายให้ทุกฝ่ายมีความสุขด้วยกันเรียกว่า เ, ววเมตตาเมตตาเมตตาไมตรีไมตรีภาษาสันสกฤตมาเป็นภาษาเมตตาเป็นภาษาบาลี ไปเปลี่ยนเป็นไมตรีไตรีเป็นภาษาภาษาสันสกฤตมันพลิกไปมันเปลี่ยนไปภาษาไทยมันแปลไปเรื่อยเปลี่ยนไปรื่อยแต่ถ้าเป็นตัวเมตตาตามหลักภาษาบาลีจริงๆก็ตัวเมตตาคนไทยเราเอามาใช้เมตตาเอาทับศัพท์มาเลยเมตตาแต่ถ้าไปไมตรีเป็นภาษาสันสกฤตถ้าเป็นตัวกล่อม เกี่ยวกับตัวกล้ม่มทั้งหลายทั้งปวงนะ่ะเป็นภาษาสันสกฤต mm hmm. เราพูดถึงอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เราพูดถึงอะไรเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรเมื่อกี้